สนธิห้าคือที่ต่อห้าแห่งได้แก่เงื่อนไขห้าประการพึงนับจากที่ย่อไว้ข้อสี่มาถึงข้อ8ก็จะเห็นเงื่อนไขหรือสนธิห้า